ส, สัมผัสสยองวัดร้างเรื่องที่ผมจะเล่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ผมกับรุ่นน้องกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปสำรวจวัดร้างในป่าลึกซึ่งเล่ากันว่ามีวิญญาณพูดผีวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นตัวผมเอง พอจะมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างจึงตกลงเดินทางเข้าไปในป่าด้วยสภาพวัดแห่งนั้นเหลือเพียงซากปลักหักพังไม่มีพระพุทธรูปอาคารโดยรอบเก่าแก่สุดโสมระหว่างที่พวกเรากําลังเดินสำรวจภายในวัดร้างผมก็บังเอิญไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่จอมปลวกผู้หญิงคนนั้นสวมชุดดาเล็บยาวยืนนิง่ง จ้องมองมาทั้งกลุ่มผมเมื่อผมเห็นก็รู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆ แ, แต่ก็ไม่พูดอะไรสักพักน้องผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มก็ร้องไห้ฟูมไฟผมกับรุ่นน้องอีกสามคนจึงช่วยไปยุ่งน้องที่ร้องไห้จนแทบจะหมดแรงออกไปจากบริเวณวัดร้างนั้นเมื่อพวกผมไปถึงที่รอดเธอจึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เดินอยู่ภายในวัดร้าง เห็นเงาดำๆข้างจอมปลวกขนาดใหญ่พอเพ่งมองให้ชัดขึ้นเธอก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดดำเล็บยาวมากยืนจ้องขมิงมาที่เธออย่างโกรธแค้นทำให้เธอกลัวจนควบคุมสติไว้ไม่อยู่ผมจึงบอกว่าผมก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่อยากให้น้องๆตกใจจึงไม่ได้พูดอะไรผมบอกน้องๆไปว่า อยากจะเข้าไปที่วัดร้างอีกครั้งโดยให้น้องผู้หญิงรออยู่กับเพื่อนอีกคนที่รถแล้วผมก็เดินไปหยิบมีดหมอที่วางอยู่หน้ารถมาสองเล่มก่อนจะเดินเท้าเข้าไปในป่าอีกรอบพร้อมกับน้องสามคนที่ไปด้วยกันเมื่อสักครู่และน้องคนใหม่อีกหนึ่งคนพอก้าวย่างเข้าไปในยานาเขตของวัดร้างผมก็ได้กลิ่นน้ําอบไทย ลอยมาติดจมูกจึงถามน้องอีกสี่คนว่าได้กลิ่นน้ำมบหรือเปล่าแต่น้องๆกลับตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าได้กลิ่นเหมือนซากศพเหม็นเนา่าพวกเราเดินรอบๆ บ, บริเวณวัดรางจนมาถึงจอมปลวกใหญ่ที่มีต้นงิ้วป่าล้อมรอบไว้ผมแปลกใจที่ต้นงิ้วหลายต้นมีตะปูตอกไว้หลายจุดไม่รู้ว่าใครมาตอกเอาไว และด้วยจุดประสงค์ใดผมจึงได้เอามีดหมอสับออกพอเข้าไปใกล้จอมปลวกนั้นก็พบกับหม้อดินเก่าๆหนึ่งใบปากหมอมีผ้าครอบไว้คล้ายผ้ายันตัวอักษรที่เขียนไว้ด้านบนเลือนลางเต็มทีผมห้ามไม่ใครแต่ต้องหม้อนั้นด้วยที่คิดว่าอาจเป็นหม้อที่กักขังดวงวิญญาณเอาไว้เพราะดูจากลักษณะ ที่มีต้นงิ้วตอกตะปูไว้โดยรอบจอมปลวกผู้ทาพิธีน่าจะตั้งใจเก็บวิญญาณที่ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นักเมื่อผมลองเดินดูรอบรอบมอก็ต้องตกใจเพราะที่มออีกด้านมีรอยแตกเป็นแนวยาวกลัวว่าจะมีวิญญาณหลุดออกมาแล้วยังคงวนเวียนอยู่แถวๆนี้จึงให้น้องทั้งสี่คนออกไปจากบริเวณนั้นทันที ส่วนผมจะทำพิธีเรียกวิญญาณ น, นั้นกลับมาเก็บที่เดิมแต่น้องๆที่วิ่งออกไปไม่ทันไรก็วิ่งหน้าตาตื่นร้องโวยวายกลับมาทั้งสี่คนเล่าว่าตอนที่วิ่งออกไปตามเส้นทางที่เดินเข้ามาก็ได้ยินเสียงเพลงมันเหมือนกับว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมแล้วก็เห็นผู้หญิงกำลังฟ้อนรำอยู่ไกลๆ พวกน้องๆจึงหยุดวิ่งเพื่อเพ่งมองดูว่ามันคืออะไรแต่แล้วก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะผู้หญิงที่กำลังร่ายรำอยู่นั้นไม่มีหัวจึงหันหลังกลับวิ่งล้มลุกคลุกคลานกลับมาหาผมผมคิดว่าถ้ารอช้ากว่านี้คงไม่ดีแน่ๆจึงรีบหยิบขวดเปล่าที่อยู่ในกระเป๋าออกมาวางไว้ตรงหน้า แล้วนั่งสวดเรียกวิญญาณให้กลับเข้าไปอยู่ในขวดเมื่อน้องๆเห็นดังนั้นก็เข้ามานั่งพนมมืออยู่ที่ด้านหลังคงผมผมคิดว่าถ้าเรียกวิญญาณกลับมาได้ก็จะเก็บไว้ที่จอมปลวกเหมือนเดิมพอสวดไปได้สักพักเสียงขวดก็แตกน้องๆตกใจขยับเข้ามานั่งกอดกันด้วยความกลัว ผมเลยตัดสินใจว่าถ้าเอาวิญญาณไว้ที่เดิมไม่ได้ก็จัดการกำจัดเสียเลยดีกว่าจึงเริ่มสวดเชิญเท้าจตุโล ก, กบาลขณะที่สวดก็มีเสียงผู้หญิงพูดในน้ำเสียงดูดดันดังขึ้นมาตลอดว่ามึงต้องตายห้องฟ้าเริ่มมืดครึมมีลมพัดแรงผมตั้งสติพยายามสวดต่อไปเรื่อยๆ น้องคนหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงพูดจนทนไม่ไหวยกมือขึ้นปิดหูหายใจหอบแล้วก็เป็นลมล้มไปเพื่อนคนอื่นๆต้องช่วยกันประคองตัวน้องคนนั้นไว้ทั้งทั้งที่ตัวเองก็กลัวจนตัวสัน่นเพราะผมสวดจบจากเสียงที่พูดอย่างเครียดแค้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องหวยหวนดังแสบแก้วหูแล้วก็ตามมาด้วยเสียงฟ้าผ่า สิ้นเสียงฟ้าผ่าท้องฟ้าก็เปิดให้เห็นแสงสว่างบรรยากาศกลับมาสงบอีกครั้งน้องที่เป็นลมก็เริ่มรู้สึกตัวผมจึงรีบบอกให้ทุกคนออกจากที่นี่ในทันทีแล้วทุกคนก็รีบเดินออกจากวัดร้างด้วยสภาพที่อ่อนแรงไปตามๆกันภัพผีสิง เรื่องนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวที่เกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่คืนนั้นเรามีนัดกับรุ่นพีที่กลับมาเที่ยวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่พวกเราเลยพากันไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งซึ่งผับแห่งนี้เคยถูกปิดมารอบหนึ่งแล้วเนื่องจากเคยมีการทะเลาะวิวาทบ่อยครั้งทั้งยังเคยมีเหตุน่าสลดเกิดขึ้น และมีคนเสียชีวิตอยู่ภายในผับเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำลานจอดรถหรือแม้กระทั่งในตัวผับก็เคยมีคนตายฟุบคาโตมาแล้วพวกเราไปกันสามสาวหลังจากแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วก็เดินทางไปซึ่งมันก็ไม่ไกลจากที่พักของเรามากนักพอไปถึงตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่ม ซึ่งน่าจะยังไม่ดึกเกินไปคงพอจะมีโต๊ะให้พวกเราได้นั่งบ้างเพราะถ้าหากว่าโต๊ะเต็มก็คงต้องไปยืนดื่มที่หน้าบาร์ซึ่งยืนนานๆก็อาจจะทำให้เมื่อยขาได้และมันคงดูไม่ดีนักสำหรับผู้หญิงที่น่ารักอย่างพวกเราต้องมายืนดื่มกินกันพอเดินเข้าไปในร้านก็เจอเด็กเสิร์ฟมาตอนรับและพาไปยังโต๊ะที่ยังคงว่างอยู่ หลังจากเลือกโต๊ะที่ชอบได้แล้วก็ลงนั่งแล้วเด็กเสิร์ฟก็ยืนรอรับออเดอร์ของพวกเราแน่นอนว่าพวกเราสั่งเครื่องดื่มเป็นเหล้าโปรโมชัน่นพร้อมมิกเซอร์แล้วก็นั่งดื่มกันไปคุยกันไปฟังเพลงและมองผู้ชายหล่อๆที่เดินผ่านไปมาบรรยากาศของที่นี่มันทำให้พวกเราเพลิดเพลินกันมากเพอแป๊บเดียว พวกเราก็นั่งดื่มไปจนเหล้าหมดขวดตอนนั้นก็ดึกพอสมควรแล้วจึงสั่งเช็คบินเพื่อจะไปกินขนมจีนสันปะข่อยเจ้าประจําสักผักเด็กเสิร์ฟก็เดินมาแล้วบอกกับพวกเราว่าพี่ครับเต๊ะพี่ไม่มีบินเพระพวกเราได้ยินก็แปลกใจแล้วก็แซว ก, กันว่าน่าจะมีผู้ชายใจ่ายให้หรือเปล่า แต่เมื่อมองดูโตรอบรอบพวกเราแล้วก็มีแต่ผู้หญิงด้วยความสงสัยก็เลยบอกน้องเขาให้ลองไปถามเด็กเสิร์ฟคนที่มารอรับออเดอร์ให้หน่อยเพื่อว่าบินจะอยู่ที่เขาพอเราบอกลักษณะของเด็กเสิฟคนนั้นไปน้องเขาก็ตกใจมากรีบเดินกลับไปหาผู้จัดการร้านยืนซุบซิบกันสองคน แล้วผู้จัดการร้านก็เดินเข้ามาหาพวกเราแล้วบอกว่าขอโทษนะครับเด็กเสิร์ฟในร้านไม่มีลักษณะอย่างที่บอกนะครับเราจึงตอบกลับไปว่าจะบ้าเหรอเขายังมารับออเดอร์อยู่เลยลองไปดูในกล้องสิเมื่อเปิดกล้องดูพวกเราก็แทบชอ็อกเกือบจะเป็นลมล้มไปตรงนั้นเพราะเราเป็นคนไปหยิบเหล้า เอามาจากโต๊ะข้างหลังเองซึ่งมันเป็นโต๊ะที่ไม่มีคนนั่งแต่มีเหล้ากับมิกเซอร์วางเอาไว้แล้วผู้จัดการและพนักงานในร้านก็บอกว่าโต๊ะนั้นมีไว้ให้สำหรับแขกและพนักงานที่เสียชีวิตภายในร้านวิญญาณผีจากวัด เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งและแฟนของเขาด้วยซึ่งดเดล่าว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งแถวตำบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยปกติแล้วเราเป็นคนค่อนข้างมีเซนต์อยู่เหมือนกันเรามักจะได้ยินเสียงแปลกๆช่วงวันโกนวันพระจะชอบสัมผัสสิ่งแปลกๆได้ตลอด และจะเป็นหนักมากเวลาไปทําบุญกลับมาเวลานอนอยู่ในห้องก็เหมือนมีคนอยู่ด้วยได้ยินเสียงคนเดินเสียงคนหายใจเสียงนั่งบนเตียงเงาดำเดินผ่านอะไรประมาณนี้และบางครั้งก็รู้สึกว่ามีอะไรจากวัดตามเรากลับไปเหมือนกันวันหนึ่งเรากับแฟนอยากไปทําบุญด้วยกันเลยพาแฟนมาที่วัดแห่งนี้ ปกติแล้วเราจะมาคนเดียวเพียงแค่เดือนละครั้งวันนี้คนไปทำบุญกันเยอะมากเรากับแฟนก็ทำบุญถาวายสังฆทานไหว้พระทำพิธีบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายและปล่อยปลาพอกลับมาจากวัดก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับเราและแฟนเหมือนมีอะไรบางอย่างตามกลับบ้านมาด้วย เพราะหัดจากวันนั้นไม่กี่วันแฟนมารับเราไปอยู่ที่บ้านแฟนซึ่งอยู่ที่สัตหีบเราเดินทางกลับสัตหีบช่วงประมาณสี่ถึงห้าทุ่มเห็นจะได้เรานั่งอยู่ด้านข้างส่วนแฟนเป็นคนขับรถหลังรถไม่มีสิ่งของหรืออะไรที่ทำให้เกิดเสียงได้เลยพอขับไปได้สักพักก็มีรถคันหนึ่งแซงพวกเราไปก็เห็นว่า เขาไม่ได้เปิดกระจกรถแต่ตอนนั้นพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรพเพราะคิดว่าอาจจะมาจากรถคันนั้นจริงๆก็ได้เวลาผ่านไปแค่ไม่กี่วินาทีพวกเราก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีรถคันไหนอยู่บริเวณนี้เลยและเสียงมันก็ดังชัดเจนเหมือนมันมาจากหลังรถของพวกเราเราเลยหาสาเหตุ ท, ที่มาของเสียง แล้วเปิดไฟสำรวจดูที่หลังรถว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดเสียงแบบนี้ได้เมื่อค้นดูโดยละเอียดแล้วก็ไม่พบสิ่งใดๆวางอยู่ที่หลังรถเลยตอนนั้นเราเริ่มใจคอไม่ดีแล้วคิดว่าต้องใช่แน่ๆเลยกลั้นใจพูดออกไปว่าถ้าใช่ผีจริงๆลองทำเสียงอีกทีสิหลังจะพูดจบ ก็ได้ยินเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งเบาๆที่ด้านหลังเรากับแฟนก็เลยหัวเราะ ก, กันเพื่อกลบเกลื่อนความกลัวแล้วก็ไม่พูดอะไรกันจนขับไปถึงบ้านหลังจากวันนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเปิดเพลงฟังอยู่จูๆเพลงก็เลื่อนเปลี่ยนเองได้ได้ยินเสียงคนเปิดฝักบัวอาบน้าพอเดินไปดู ก็ไม่มีใครและไม่มีแม้แต่น้ำสักหยดบางคืนได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูบ้านที่เป็นประตูเหล็กเลื่อนพอเดินไปดูประตูก็ปิดอยู่เหมือนเดิมและเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในบ้านตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงก๊อกกกแก๊แกแเสียงคนเดินภายในห้องเสียงทุบ ป, ประตูและสิ่งผิดปกติต่างๆ วันหนึ่งขณะที่เรากําลังอาบน้ำแล้วสระผมอยู่ซึ่งต้องหลับตาก็มีความรู้สึกว่ามีนิ้วมาจิ้มบริเวณก้นกบแต่ในใจตอนนั้นคิดว่าแฟนมาแกล้งไม่นานนักหลังจากที่เราสระผมเสร็จก็ลางหน้าแล้วหันไปดูก็ไม่มีใครและตอนนั้นแฟนก็นั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่น บางครั้งก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ร้องไห้สั้นๆอยู่บริเวณที่อาบน้ำแต่เราก็บอกตัวเองว่าอาจจะคิดมากไปเองคืนหนึ่งเราได้ฝันเห็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักเราฝันถึงสองครั้งคืนแรกเราฝันว่าเขาอยู่ในตู้เสื้อผ้าห้องของเราแล้วเขาก็พูดึินว่าเขาอยู่กับแฟนเรา เขารักแฟนเราครั้งต่อมาก็ฝันอีกแต่เราจำความฝันนั้นไม่ได้บางครั้งก็ได้ยินเสียงคนมาหอบหายใจอยู่ข้างๆเราพอถามแฟนเขาก็บอกว่าไม่ได้ยินวันไหนที่เราอาบน้ำกับแฟนก็จะได้ยินเสียงทุบประตูห้องนอนเหมือนกับคนไม่พอใจอะไรสักอย่างพอถามแฟนว่าได้ยินเสียงนั้นไหมเขาก็บอกไม่ได้ยินอี เราพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะหูฝาดไปเองหลังจากอาบน้ำเสร็จก็ออกจากห้องน้ำแล้วก็เข้าห้องนอนโดยปกติแล้วจะไม่ล็อกประตูห้องแต่วันนี้เราเป็นคนล็อกประตูห้องเองหลังจากที่ล็อกประตูเสร็จเราก็เดินกลับมาเพื่อไปที่เตียงก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเขย่าประตูให้เปิดเราตกใจมาก เลยหันไปถามแฟนว่าได้ยินเสียงนั้นไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับเราเวลาที่เรามาอยู่บ้านแฟนมันจะมีเสียงแปลกๆอยู่ตลอดแต่แฟนเราไม่เคยเจออะไรพวกนี้เลยเว้นแต่ตอนที่วิดีโอคอลหากันเขาถึงจะได้ยินเสียงแปลกๆนั้นมันเหมือนมีอะไรมาคอยขัดขวางอยู่ตลอด ตอนนี้เราเหมือนกับว่ากำลังโดนเล่นงานอยู่เหมือนเขาไม่อยากให้เรากับแฟนมีความสุขกันทุกวันนี้เราครบกันกับแฟนก็มีแต่ความหวาดระแวงสิ่งรอบตัวไปหมดและแฟนคนนี้เราก็เพิ่งคบได้ไม่นานก็เลยไม่รู้ว่าในอดีตนั้นเขาเคยทำอะไรไว้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเธอคนนั้น จะเป็นอดีตแฟนเก่าของเขากันแน่สมัมภัสสยอง